พระปเจกพุทธเจ้า al, มีอุบัติตั้งแต่พระปเจกพุทธเจ้าทั้งหลายนั่งบนอาสนะปูแล้วพื้นระเบียงเช่นกับอุบัติในจตุตทิศคาถาก็แปลว่าพระพระปเจกพุทธเจ้าองค์นี้เนี่ยอดีตพระองค์ก็เป็นพระราชาที่กลางคืนเนี่ยสะดุ้งอยู่สามครั้งเสร็จแล้วก็ก็บอกว่าพระราชาพระองค์นั้นสะดุ้งในราตรีถึงสาครั้งฉันใดพระราชาพระองค์นี้เป็นฉันนั้นหาไม่ ทั้งยันก็ไม่ปรากฏแก่พระองค์เท้าเธอเนิ่ยมนพระปเจกกับพุทธเจ้าทั้งหลายมานั่ง น, นะก็คือสะดุ้งอะนะสะดุ้งเหมือนกันแต่แต่ว่าพระราชาองค์นี้อนี่ยมนพระปเจกมาไม่ได้ไปปรึกษาปุโรหิตชั่วอย่างนั้นหรอกพอพระองค์เนี่ยนะนี่ยมนพระปเจกกับพุทธเจ้ามานั่งบนอาสนะที่ปูไว้ที่พื้นระเบียงก็ตรัสถามว่าพวกท่านชื่ออะไรพระปเจกก็บอกว่ามหาบาพีษ น, นะ พวกอาตมาเชื่อว่าผู้บริโภคโภชนะไม่มีโทษบริโภคแบบไม่มีโทษเลยบริโภคอะไรก็ไม่มีโทษพระราชาก็บอกข้าแต่ท่านผู้เจริญคําว่าผู้บริโภคโภชนะบริโภคอาหารไม่มีโทษเนี้มันมีประโยชน์อย่างไรมันดียังไงนะดียังไงถ้าบริโภคอาหารไม่มีโทษพระปพะเจกเขบอกว่าพวกอาตมาได้สิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ไม่มีอาการผิดแปลก แปลว่าไม่ผิดปกติในอาหารทั้งดีและไม่ดีอาหารดีไม่ดีมันเท่ากันพระราชาพอฟังอย่างนั้นก็เลยคิดว่าเอาเธอเนี่ยนะเราจะพิจารณาสมณะเหล่านี้เป็นเช่นนี้หรือไม่นะดีอย่างที่โฆษณาคุยหรือเปล่าว่างั้นว่าได้อาหารดีไม่ดีมันเท่ากันหมดไม่ทําใจให้ผิดปกติในอาหารดีและไม่ดีจะลองดูสิพระองค์ก็เลยอังคาดด้วยข้าวปลายเกลียนกับน้าส้มผักดองก็แปลว่าเอาเข้าวหั ก, หก มาต้มกับน้ำผักดองอะนะพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็บริโภคฉันโดยที่ไม่แสดงอาการผิดปกติเหมือนบริโภคอมตะเนี่ยนะก็ท่านก็ฉันไปอย่างนั้นเพื่อให้กายดำรงอยู่ได้แต่ใจท่านเจริญสมถาวิปัสสนาเข้าพระสมาบาัตินู่นเะนี่ยนะมันไม่ได้มานั่งะวองผะวาะอะไรกับดินน้ำไฟลมอะไรหรอกพระราชาก็เลยคิดว่าสมณะเหล่านี้เป็นผู้ไม่แสดงอาการผิดปกติเพราะได้ปฏิญญาไว้แล้วในวันหนึ่ง เนี่ยนะที่ท่านทําตัวเฉยๆก็ตามท่านคงแกล้งอ่ะนะทำอย่างที่ท่านพูดไว้วันก่อนแนะ่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะรู้ไง ก, ก็เลยนิมนต์เพื่อจะบริโภคในวันรุ่งขึ้นในวันที่สองก็ทําเหมือนอย่างนั้นอีกเอาไอ้ข้าวปลายเกลียนข้าวหักหักกับน้ําผักดองอีกแล้วพระประเจ ก, ก็บริโภคเหมือนเดิมอีกชั้นเหมือนอมะตะพระราชาก็เลยคิดว่าวัดนี้เราจะถวายสิ่งที่ดีกว่าทดลองดูสิเอาให้มันดีๆกว่านี้อีก ก็เลยนิมนต์ทําสักการะใหญ่ตลอดวันสองวันด้วยอังคาคาชินิยะโพชนิยะอันประนีตหาอาหารของแต่ละอย่างดีๆทั้งนั้นเลยพระประเจกพระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็บริโภคไม่แสดงอาการผิดแปลกเหมือนเดิมก็พอฉันเจ็ดก็กล่าวมงคลถวายพระราชาแล้วก็หลียกไปขอให้ประสบมงคลน่ะ น, นะเสร็จแล้วพระประเจกระพุทธเจ้าก็กลับไป พระราชาพระในนะครั้พระประเจกพระพุทธเจ้าหลีกไปไม่นานพระองค์ก็คิดว่าส ม, มณะเหล่านี้พระส ม, มณะเหล่านี้บริโภคโภชนะไม่มีโทษโอ้หนอแม้เราก็พึงบริโภคโภชนะไม่มีโทษคิดเลยนะ เ, ยเพราะอะไรเพราะพระราชาทั้งหลายเนี่ยโหให้ความสําคัญกับเรื่องรสชาติอาหารมากปกติให้ความสําคัญอร่อยนิดอร่อยหน่อยผิดลิ้นนิดนิดหน่นอ ย, อยๆอะไรก็ ไม่ไม่ปกติเนี่ยนะเป็นผู้ที่ผิดปกติกับอาหารโดยตลอดก็เลยเนี่ยบอกอพระประเจกท่านดีเหลือเกินอะไรเก็เลยสละราชสมบัติเป็นอันมากสมาทานบรนประชาปราลบวิปัสนาบรรลุเป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าในเรื่องชั้นชันนี่ก็บรรลุได้เหมือนกันนะเรื่องกินกินเนี่ยนะแม้สั่งสมบุญมาดีเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอาหารเรื่องอยู่ๆกินกินก็บรรลุได้หมดอ่ะถ้าหากว่าสั่งสมบุญมาดีเห็นอะไรแล้วบรรลุไม่ได้มีไหมยากไม่มีหรอก พอบรรลุเป็นพระประเจกขพุทธเจ้า น, นะอยู่ในถ้ำกลางพระประเจกขพุทธเจ้าที่โคนไม้รกฟ้าก็ตรัสคถาให้พระประเจกขพุทธเจ้าเหล่าอื่นฟังว่าที่บรรลุนะว่าเราย่อมสรรเสริญสหายผู้ถึงพร้อมด้วยศีลขันเป็นต้นพึงคบสหายผู้ประเสริฐสุดผู้เสมอกันกุลบรไม่ได้สหายผู้ประเสริฐสุดและเสมอกันเหล่านี้แล้ว พึงบริโภคโภชนาไม่มีโทษเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดนอแรกฉะนั้นนะเขาบอกว่า ส, สหายะสมประทังเนี่ยนะก็คือสหายที่ถึงพร้อมด้วยศีลขันเป็นต้นศีลขันสมาธิขันปัญญาขันมิมุติขันเนี่ยนะส่วนอธิบายโยชนาคําประกอบอธิบายว่าสหายผู้นี้ถึงพร้อมนี้ใดแล้วย่อมสรรเสริญสหายผู้ถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาอธิบายว่าเราชื่นชมโดยส่วนเดียว ถามว่าชมอย่างไรชมคือพึงคบสหายผู้ประเสริฐผู้เสมอกันเพราะอะไรเพราะเมื่อกุลบครคบสหายผู้ประเสริฐสุดผู้มีคุณธรรมมีศีลขันเป็นต้นทำทั้งหลายมีศีลเป็นต้นที่ยังไม่เกิดที่เกิดแล้วที่ยังไม่เกิดย่ดยอมเกิดที่เกิดแล้วย่อมถึงความเจริญงอกงามไพบู์คือเราเนี่ยปกติสมมติถ้าเราศีลไม่ค่อยดีก็ไปคบสหายที่มีศีลดี พันเราก็เลยศีลที่ยังไม่เคยเกิดก็ได้เกิดขึ้นศีลที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญงอกงามไพบู์เมื่อคบสหายผู้เสมอกันในธรรมทั้งหลายที่ได้แล้วย่อมไม่เสื่อมเพราะทรงความเสมอกันและกําจัดความเกลียดครา้านแต่กุลบดผู้ใครประโยชน์ไม่ได้คบสหายประเสริฐสุดและเสมอกันเหล่านั้นคือหมายถึงว่าสหายเช่นนี้ถ้าได้ก็ดีสิแต่ถ้าไม่ได้ละ่ะถ้าหาเพื่อนอย่างนี้ไม่ได้ พึงเว้นจากมิจฉาชีพมีการหลอกลวงเป็นต้นอนนะเว้นจากมิจฉาชีพมิจฉาทุจริตที่จะได้อาหารมาอ น, นะบริโภคโภชนะที่เกิดโดยธรรมและโดยรรมสม่ำเสมอไม่ให้ปฏิคานุรรสัยในโภชนะที่ไม่ดีเกิดขึ้นเป็นผู้บริโภคโภชนะไม่มีโทษเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดนอเรชฉะนั้น น, นนะก็อาศัยอาหาร ก็บรุได้นะเขาบอกว่ามาดูคาว่าบริภพโภคโภชนะมีโทษไม่มีโทษในคัคค า, าวิสาวิสานาสุดต่างนิเทศที่บอกว่าคาว่าควรเสพแต่สหายที่ประเสริฐกว่าหรือที่เสมอกันความว่าสหายทั้งหลายผู้ประเสริฐกว่าด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติย า, านทัศนะ สหายทั้งหลายผู้เสมอกันด้วยศีลสมาธิปัญญา ว, วิมุตติ Margaret, ยา น, านัทนะควรเสพคือควรครบควรนั่งใกล้ควรไต่ถามควรสอบถามสหายที่ประเสริฐกว่า ห, หรือสหายที่เสมอกันเท่านั้นเมื่อไม่ได้สหายเหล่านั้นก็ควรบริโภคปัจจัยอันไม่มีโทษนะอธิบายว่า ผู้บริโภคปัจจัยแบบมีโทษก็มีผู้บริโภคปัจจัยอันไม่มีโทษก็มีเป็นอย่างไร <c oughs> <c oughs> ก็บุคคลผู้บริโภคปัจจัยอันมีโทษเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้ได้รับได้ประสบได้มาซึ่งปัจจัยด้วยการหลอกลวงหมายความว่าได้อาหารมาเพราะการหลอกลวงได้อาหารมาเพราะการพูดเลียบเคียง ผูเลียบเคียงนะบอกที่บ้านทานข้าวกับอะไรเอ๊ะทำไมพระไม่ได้ฉันอย่างนั้นบ้างเป็นต้นในเรว่าพูดเรียบเคียงคนนะั้นหรือได้มาด้วยความเป็นหมอดูเนี่ยนะนะหรือด้วยเล่นกลเนี่ยนะเล่นกลนะได้อาหารมาทําเป็นอาชีพหมอดูแล้วก็ถวายอาหารหรือว่าเล่นกลแล้วได้อาหารมาหรือว่าสแสวงหาลาบด้วยลาบวันนี้เราได้อันนี้เราก็ให้ก่อนเนี่วยวันหลังเขามีเขาจะให้เราบ้างก็เอาลาบต่อลาบประมาณนั้นนะ พูดแบบภาษาชาวบ้านเขาฟังดูดีนะพี่บ้านเหนือน้องบ้านใต้ก็แบ่งอาหารทานกันไปแต่ถ้าพระทำอย่งงางนั้นก็โยมไม่ดีนะก็เรียกว่าหาสแสวงหาลาบด้วยลาบถ้าเรามีนี่เราก็ให้นั้นไปเขาวันหลังก็มีอย่างอื่นหรือมีดีกว่าเขาจะได้ให้เราคืนบ้างนะนะบางทีก็ให้ด้วยการให้ไม้จริงให้ไม้ไผ่ให้ใบไม้ให้ดอกไม้ให้เครื่องอาบน้ำไอ้ที่ให้เนี่ยเพื่อเขาจะได้เอาอะไรมาถวายเราวันหลังนะ ก็ให้แป้งให้ดินให้ไม้สีฟันให้น้ำบ้วนปากเป็นผู้ใครให้ปรากฏพูดเลวไหลเหมือนแกงถั่วบางทีก็พูดเลาะพูดเลมพูดและอยู่แถวนั้นแหละนะก็ประจบเขาขอมากพูดกันว่ากินเนื้อหลังผู้อื่นเนี่ยนะก็บางทีก็พูดนะ บางทีก็แกล้งพูดอยากให้บ้านโน้นก็ทําบุญก็แกล้งไปพูดอีกบ้านหนึ่งว่าไอ้บ้านนั้นน่ยมันไม่ทําบุญอะไรเลยมันอย่างนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าพูดแบบอะไรนะพูดเสาะเสียดยนะพูดกระเทือนกระเทือนไปเดี๋ยวเขาก็ทําบุญเองเแหละก็เรียกว่าพูดอะไรแบบเต้นสนุกอะ่ะกระทบอีกที่หนึงแล้วมันจะพชนอีกที่หนึ่งแล้วมันก็เสร็จเราใช่ไหมก็เรียกว่าเข้ า, เ ข, าเข้าทางเราเลยแบบนั้นก็เรียกว่าพูดพูดว่ากินหลังผู้อื่นบา ง, บางทีก็ด้วยวิชาเรียนวิชาดูพื้นที่ หรือด้วยเดรัชานวิชาทํานายอวัยวะดูฤกษ์ดูยามทําเป็นทูตทําเป็นคนรับใช้หรือเป็นคนเดินสารอ่านจดหมายให้เขาเนี่ยนะหรือทูตตะกำรรเนี่ยนะทำทูตกรรมหรือการให้บินทบาทตอบแก่บินทบาทเขาให้นี้มาเราก็ให้นั้นเข้าไปอย่างเง้นด้วยการเพิ่มให้โดยผิดโดยอธรรมโดยผิดธรรมโดยไม่สม่ําเสมอครั้นได้แล้วก็เป็นอยู่นี้เรียกว่าบริโภคปัจจัยแบบนีโทษ ได้อาหารแบบนี้มาบริโภคเรียกว่ามีโทษแปลว่ากินยาพิษเนี่ยนะกินยาพิษเป็นอาหารที่ที่ที่ฉันแล้วก็ท้องเสียว่างั้นเสียหลายชาติด้วยนะไม่ใช่เสียชาติเดียวส่วนบริโภคปัจจัยไม่มีโทษเป็นฉันไหนบุคคลบางคนในโลกนี้ได้ได้ไดรับประสบได้มาซึ่งตัดใจด้วยการไม่หลอกลวงไม่พูดเลียบเคียง ด้วยไม่ใช่เป็นคนมีมายาเล่นกลก็คือคนมีมายาแสดงมายาแล้วได้อาหารมาหรือด้วยไม่แสวงหาราบด้วยราบไม่ใช่ให้ไม้จริงให้ไม้ไผ่ให้ใบไม้ให้ดอกไม้ให้เครื่องอาบน้ําก็ให้แฟบสบู่ยาสีฟันอะไรก็ว่าไปให้ผงให้แป้งนะให้ดินให้ไม้สีฟันน้ําบ้วนปากไม่ใช่ได้อาหารมาเพราะคู่ใครประโยชน์ให้ปรากฏ ไม่ใช่ได้อาหารมาเพราะพูดเหลวไหลเหมือนแกงถัว่วแปลว่าพูดจริงพูดเท็จผสมผสมกันะแกงถั่วแบบสุกๆุดิบๆใช่ไหมมีต้มถั่วนี่มันมีสุกบ้างมีดิบมั้งอันนี้พูดจริงมั่งเท็จมั้งปลอมมั้งก็พูดไปเดี๋ยวก็ได้ฉันเองอไรเข้างั้นก็ไม่พูดประจบเขาได้มาไม่ใช่ว่าได้มาด้วยการขอมากหรือว่าพูดแบบอะไรนะพูดกินเนื้อหลังคนอื่นไม่ใช่ว่าพูดชิ่งมาได้มาไม่ใช่ด้วยวิชาดูพื้นที่ไม่ใช่ได้มาด้วยเดรัจฉานวิชา ไม่ใช่ได้มาด้วยวิชาทํานายอวัยวะดูเริกเดินทูดรับใช้เดินสารหรือเวชกรรมเป็นหมอยาให้เขาเนี่ยนะไม่ใช่ด้วยทูตกรรมเป็นทูตให้เขาไม่ใช่ได้อาหารเพราะได้บินทบาทตอบแก่บินทบาทไม่ใช่การเพิ่มให้แก่การให้แปลว่าได้อาหารมาโดยทอบโดยทําสม่ําเสมอได้แล้วก็สําเร็จอยู่อย่างนี้แหละ ถึงความสําเร็จใช้ชีวิตอยู่ด้วยอาหารที่ไม่มีโทษเรียกว่าผู้บริโภคปัจจัยอันไม่มีโทษเมื่อไม่ได้สหายผู้เสมอกันด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะเป็นต้นเช่นนั้นก็ควรบริโภคปัจจัยอันไม่มีโทษอธิบายว่าเมื่อไม่ได้ประสบไม่ได้เฉพาะไม่ได้พบสหายเหล่านั้นเมื่อไม่ได้สหายเหล่านั้นก็ควรบริโภคปัจจัยที่ไม่มีโทษเพิงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดนอแรกฉะนั้นนะนะ เพราะเหตุนั้นพระปัเจกพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็กล่าวว่าเราทั้งหลายย่อมสรรเสริญสหายผู้ถึงพร้อมด้วยธรรมโดยแท้ควรครบแต่สหายที่ประเสริฐกว่าหรือที่เสมอกันเท่านั้นถ้าจะหาพวกนะหาคนที่ยิ่งกว่าหรือเท่ากันเท่านั้นถ้าไม่ได้สหายเหล่านั้นก็ควรบริโภคปัจจัยอันไม่มีโทษพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดนอแรกอย่นี้นะแต่อีกเรื่องหนึ่งในเรื่องนี้ชอบ นะไอ้กำไรกระทบกันกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแล้วบรรลุเนี่ยนะมีเรื่องอยู่ว่า <c oughs> เพราะในห้องเราไม่มีใครใช้กําไรนะสมัยหนึ่งพระเจ้ากรุงพาราณสีพระองค์หนึ่งเนี่ยน ะ, สะเสด็จเข้าที่บรรทมในกลางวันคิมหะสมัยคิมหะหน้าหนาวหรือหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าหนาวก็เข้าเข้าพักกลางวันอ่ะนะในพระราชสำนักของพระองค์นางวันณธ า, าสีก็แปลว่าสาวใช้คนสวยก็บทกันเหลืองวันณ น, นี่แปลว่า ผิวพรรณน่ะนะงดงามนะ่ะนะวันนาทาสีก็แปล ว, ว่าสาวใช้คนสวย่างอย่าแต่ก็กำลังบทจันเหลืองอยู่แขนข้างหนึ่งของนางมีกำไรทองวงเดียวอีกสองอีกข้างหนึ่งเนี่ยนะนะกำไรทองอีกข้างหนึ่งมีกำไรทองสองวงมันมีอยู่กำไรใช่หมมีกำไรสาอันอะ่ะข้างแขนขวามีสองอันแขนซ้ายมีอันเดียวเนี่ยนะก็บทจันเหลือง ทีนี้เวลาที่บทไปไอ้กำไรที่มันสองวงมันก็กระทบกันกริง๊งกริ๊งไอ้ข้างหนึ่งที่มันอยู่อันเดียวมันก็ไม่กระทบกันพระราชาก็เห็นเหตุนั้นก็ดูนางทาสีบ่อยๆก็ดูไปคิดไปพระราชาก็คิดอยู่ในใจว่าไอ้การอยู่เป็นหมู่มันก็มีการกระทบกันอย่างนี้แหละเหมือนกําไรสองอันกระทบกันนี่แหละการอยู่คนเดียวก็ไม่กระทบกันอย่างนั้นถ้าอยู่คนเดียวมันไม่มีการกระทบกันถ้าอยู่สองคนเดียวก็เอาละนะส่อเรื่องราวก็เข้ามาแล้ว ที่นสมัยนั้นถ้าเทวีผู้ประดับประดาด้วยเครื่องอลังการพร้อมศักด์ประทับยืนถวายงานพัดอยู่พระนางก็คิดว่าพระราชาช่ร้อยจกมีพระไทยปฏิพัฒน์ในนางวันนาทาสีแน่ดูสิสงสัยจะหลงรักนางสาทีแล้วนะบอกก็เลยให้นางทาสีนี่ลุกไปพระองค์ก็เลยปรารบเพื่อจะบทเองนะเดี๋ยวไปบทกันเหลืองให้พระราชาดูก็ได้อย่างนกันนะทีนี้ในแขนทั้งสองของพระนางมีกำไลทองหลายวง แต่ละข้างมีตั้งหลายวงด้วยกันเนี่ยนะเวลาบทไปก็ดังเสียงดังมากพระราชาก็เอือมระอายิ่งขึ้น่ะนะเห็นโทษแล้วขนาดอยู่สองคนมันดังก้องแก้งก้องแก้งไเหมือนกำไรสองอันนี่กำไรเป็นสิบสิบอันดูสิมันดังขนาดไหนใช่องก็เลยเบื่อน่ายทั้งในที่บรรทมตะแคงขวาอยู่นั่นแหละปรารบวิปัสสนาก็ทาให้แจ้งซึ่งปัจเจกโพธิานนะ่นะมเรื่องชอกมาก กองแกงกองแกงเอ้าคนมากที่ไหนมันก็เป็นอย่างนี้นะ้ยเรื่องกระแสเสียงนกเสียงกามันก็จอกแ๊กอย่างนั้นแหละพระเทวีนี่ก็ถือจันท์เสด็จเข้าไปเฝ้าพระราชาพระองค์นั้นที่บรรทมเป็นสุขสุขอย่างยอดเยี่ยมอ่ะนะที่จริงพระพระเจกพพุทธเจ้านั่นแนหะเข้าวีมุติสุขอรหัตผลแล้วพระเทวีก็ทูลว่ามหาราชหม่อมชั้นจักไล้ทาเดี๋ยวจะมาทาแป้งถวายว่างั้นพระราชาก็บอกออกไปอย่าไล้ทาบอกออกไป พนางก็ทูลว่าอะไรกันนี่มหาราชพระราชาก็บอกเราไม่ใช่พระราชาอมัดทั้งหลายพอได้ฟังการสนทนาของพระราชากับพระเทวีก็เลยเข้ามาเฝ้าพระราชาผู้พระราชาที่อมัด ถ, ถามว่ามหาราชก็บอกว่าทนายท่านทั้งหลายเราไม่ใช่พระราชาและท่านเป็นอะไรเป็นพระปัเจกและก็ในที่สุดก็แสดงตนว่าเป็นพระปัจเจก แต่แล้วท่านบรรลุด้วยคาถาไหนพระองค์ก็บอกว่าบุคคลดูกําไรทองสองอันงามผุดผ่องที่บุตรนายช่างทองให้สําเร็จด้วยดีกระทบกันอยู่ที่ข้อมือพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหนอแล็ดฉะนั้นเห็นกําไรทองกระทบกันกุ้งกิงกุ้งกิ้งกุงิบรรลุได้นะเพราะฉะนั้นเวลาเราได้ยินอะไรเสียงอะไรกระทบกระเทือนกันหน่อยนี่ก็เจริญนิพพานาได้เลยน ะ, น, ะน่าจะบรรลุได้มีกําไรตั้งหลายอันเนี่ยนะ อธิบายว่าเราดูกำไรทองกระทบกันอยู่ในข้อมือจึงคิดว่าการอยู่เป็นหมู่มันก็ย่อมมีการกระทบกันเมื่อมีการอยู่คนเดียวหากระทบกันไม่นะก็เห็นโทษว่าสังฆตะธรรมทั้งหลายเป็นธรรมที่กระทบกันเนื่องด้วยตัจจอสังฆตะธรรมนั้นสงบจาก ปัจัยสงบจับธรรมทั้งหลายก็เจริญวิปัสนาเบือ่อปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายในสังขารธรรมน้อมไปในอสังกัจธรรมก็เลยตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยนะพระปัจเจกพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเหล่าใดถึงความพ้นทุกข์อเราทั้งหลายจงประสบสุขด้วยธรรมเหล่านั้นท่วกันวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้